มีมีเด็กลูกญี่ปุ่นนะใช่ไหมที่ไปตามหาพ่อเอารูป <c oughs> ตอนนี้ก็มีเด็กไทยนะเอารูปมาที่หลวงพ่อตามหาพ่อเหมือนกันเราก็ไม่รู้ไปตามให้ที่ไหน <c oughs> พ่อหนีไปบวชแต่แต่รูปยังเล็กๆนะเอาไปบวชแล้วใจแข็งมากเลยบวชแล้วทู ด, ดงหายไปเลย ลูกอยู่มาจนโตนะไม่เห็นพ่อเลยอยากจะเจอพ่อไ ม, ไม่ได้คิดจะให้สึกหรอกนะแค่อยากจะเห็นพ่อโวเราก็ไม่รู้ไปตามให้ที่ไหนนะต้องไปยืนที่ฐานทูตญี่ปุ่นมมันจะได้เป็นข่าวนะบางคนก็ยอมรับไม่ได้นะอย่างพระเพศสันดอนคนยอมรับไม่ได้ว่า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 อ น, นี้ไม้บรรทัดเถื่อนชาวพุทธไม้บรรทัดอย่างนี้ไม่รับรับไม่ได้ก็ต้องมีมาตรฐานเหมือนกันนะมาตรฐานของชาวพุทธก็ต้องมีอย่างท่านอาจารย์ประยุทธ์นะท่านเป็นนักปราชญาท่านบอกคนเดียวเนี้ยเลอะเทอะแล้วไม่มีไม้บรรทัดที่ถูกต้องแล้วนะภาษาท่านไม่ไม่หยาบใครอย่างหลวงพ่อนะภาษาหลวงพ่อจะโชงฉางท่านภาษาผู้ดีนักปรัชญาน้า้นปราชญาท่านพูดนุ่มนวล ท่านบอกว่าเวลาเราพูดถึงศาสนาอื่นนะเราก็บอกว่าโอ้แต่ละศาสนาก็ดีเหมือนกันแหละถ้าพูดอีกเนี้ยท่านบอกพูดแบบถ้าสำนวนหลวงพ่อนะไม่รับผิดชอบเหมือนกันได้ไงไม่เหมือนหรอกท่านบอกคาทูดที่ถูกต้องดีด้วยกันดีด้วยกันคือเขาก็ดีของเขาเราก็ดีอย่างของเราดีคนละแบบไม่เหมือนกัน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 อย่างใครบอกว่าวิธีภาวนาของเขาดีหลวงพ่อเออดีก็ดีนะขอให้พ้นทุกจริงเหร อ, อยังไงก็ได้แ่ะขอให้มันพ้นทุกกนแล้วกันนะแต่เรามีความสุขให้เขาดูนะเราภาวนามาเรามีความสุขคนที่มองเห็นนะงทีเขาก็เลยอยากภาวนาบ้างหาดภาวนานะแล้วมีความสุขให้เขาเห็นนะไม่ต้องโฆษณาชวนเชื่อหรอก ความร่มเย็ยนเป็นสุขที่เกิดขึ้นในใจเราเนี่ยมันยิ่งกว่าคำโฆษณาเพาเขาเห็นเราภาวนาแล้วเรามีศีลมีธรรมนะชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นมากขึ้นเขาสนใจนใจแต่คนในโลกเดี๋ยวนี้บางทีก็หยาบหยาบนเลยต้องตกเป็นเหยือ่อการโฆษณาการปลุกระดมอะไรอย่างงี้เมื่อ อาทิตย์ก่อนมัน้งหลวงพ่อไปเสถียรธรรมสถานตอนแรกเขาจัดงานคนที่จัดนะบงต้องเตรียมรับคนพันกว่าคนนะเธอต้องพันกว่าคนบางคนบอกว่าเวอร์เหยไม่มีหรอกพระอะไรมาเทศพันกว่าคนเวลาเขามีคอนเสิร์ตโฆษณาแทบตายก็ไปพันกว่าคนไม่เชื่อหรอกนะหาว่าขี้โม้ วันที่หลวงพ่อไปนันเข้าไปสามพันกว่าเสถียนพวกที่อยู่ในนั้นบางคนแต่เดิมไม่สนใจหลวงพ่อนะพอเห็นคนไปเยอะชักจะสนใจเนี่ยอย่างนี้ก็มีนะดูสิเราพูดธรรมะล้วนๆ น, นะไม่สนใจหรอกแต่ถ้าใครเขาเห่อแล้วเห่อตามเขาดูสิสติปัญญาก็ยังดีนะ <c oughs> <c oughs> ก็ยังดีนะดีอย่างของเขาอ่ะ ไม่ใช่ดีเหมือนกันนะก็ดีด้วยกันแหละหลายคนนะมันไม่ได้พัฒนาทางจิตวิญญาณพอต้องอาศัยสถานการณ์อาศัยอะไรันแต่หลวงพ่อไม่ได้สร้างสถานการณ์นะไปกันเองเราไม่ได้เชิญหรอกวันไหนโยมไม่มาวัดหลวงพ่อมีความสุขกับตายอนอยู่สวนโพนะ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 ถาเราดีขึ้นดีขึ้นให้เขาเห็นนะไม่ต้องโฆษณาหรอกเขาก็สนใจอ่าต่อไปตรวจกันบ้านวันนี้หลวงพ่อถือโอกาสเทศนิดหน่อยเพยังเดินเข้ามาไม่หมดเลยไม่ได้ส่งกันบ้านมาเก้าเดือนแล้วจ้าค่ะหลวงพ่ อ, อพอดีว่าไงมันก็เรื่อยๆแต่ว่าไม่ค่อยเห็นความเปลี่ยนแปลงเจ้าค่ะช่วงที่ผ่านมาจิตขณะนี้เป็นยังไงมันตื่นเต้นแล้วก็กดเอาไว้เจ้าค่ะอื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 โมหะค่ะในสามข้อเนี่ยผิดข้อไหนบ้างนะวันนี้เราจะถามหลายคนเลยใครยกมือหิดหิดทั้งสามข้อค่ะแต่ข้อสองจะเยอะข้อสองไปเพ่งมากข้อหนึ่งไปดักดูข้อสองดูดูด้วยการไปเพ่งจ้องข้อสามไปแทรกแสงมันข้อสามเยอะค่ะเออข้อสามเยอะใจไม่เป็นกลางนะเอาคุณแตบบสามข้อว่าไงเสร็จเราวันเนี้ย จะมาถามเราข้างเดียวนานแล้วเอาบ้างสึกไม่ค่อยถึงฐานค่ะหงพอไม่ถึงฐานตอบถูกนี่ฉีกแนวออกไปดักดูไหมนิดหน่อยค่ะนะดักดูนะระว่างดูยังเพ่งไหมเพ่งค่ะเป็นกลางไหมไม่เป็นกลางเออนะทั้งสามข้อนะอชื่ออะไรลืมอีกล่ะเต้เต้เต้จะเป็นข้อสามเยอะครับ ข้อสมเยอะนะแทกแสงให้รู้ทันจิตไม่เป็นกลางไม่ได้ห้ามนะจิตไม่เป um um ็นกลางให้รู้ว่าไม่เป็นกลางไม่ใช่ห้ามเป็นห้ามไม่ให้เป็นกลางห้ามยินดีห้ามยินไลไม่มีคําว่าห้ามในมีปััสนามีแต่เป็นยังไงรู้ว่าเป็นงั้นไปดูเอานะตรงไหนเป็นจุดอ่อนของเราเราก็ไปสารวจตัวเองทุกๆคนนะสํารวจตัวเองในกฎสามข้อนี้เราผิดข uh ้อไหนบ้างสํารวจตัวเองเจอต่อไปไม่ผิดหรอกนะ ถ้าไม่ผิดนั่งก็สบายเลยภาวนานง่ายส่วนใหญ่จะความคิดขยุมขยิมเยอะค่อนข้างเยอะค่ะก็เลยค่อนข้างจะอยู่ที่ข้อหนึ่งกับข้อสองเพราะพยายามจะดูว่าจ ะ, จะดูความคิดีกับเพ่งเอจะจงใจดูนะก็เพ่งถูก<า>นะไปจัดการซ ะ, ะถูกอา้าวต่อไปใครจะรายงานกดสามข้อบังยกมือ <laughs> ใครจะกล้าหารเมื่อแปดสิบแปด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 ทางที่ดีก็คือต้องภาวนาจนเขาเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วเขายอมรับเองแต่ผู้ใหญ่เวลายอมรับส่วนมากก็วังฟอร์มเพราะผู้ใหญ่ก็มีหมูกระดาษเหมือนกันเราก็ว่าเขาไม่ได้เราให้เวลาเขาบ้างครับแล้วมีข้อแนะนําอะไรอย่างอื่นที่ผมควรจะฝึกเพิ่มเติมอีกไหมครับใชจมันอ่อนแอเป็นทีหน่อยนะครับทําในรูปแบบสม่ําเสมออย่าละเลยครับกล่าวขอบพระคุณครับท่านเสียเกียรเป็นไงอ๋อท่านเสียเกียรตอนนี้ท่านก็สบายดีครับ เหมือนกับว่าท่านก็กําลังทํางานของท่านไปเรื่อยๆอครับรงแต่เรื่องโครงการไปประสูต ต, ตอนนี้เหมือนกับก็มีประชุมเป็นระยะระย ะ, ระยะอัดงานอย่างจะไม่ถึงขั้นคืบหน้ามากครับอ้าวเปิดเก้ากับน้ำมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะตอนนี้ประคองค่ะค่ะแต่ว่าอยากเรียนผลการปฏิบัตินะคะเนื่องจากตอนหลังนี้ไปปฏิบัติในรูปแบบค่อนข้างมากนะคะแล้วก็เทําให้รู้สึกมีกุกกุจ่ะ ค่ะแล้วก็มีอยู่ครั้งนึงค่ะที่ว่านั่งสมาธิแล้วเกิดเห็นว่าจิตดับแล้วก็เกิดแล้วก็ดับแล้วมันเกิดความกลัวนะคะค่ะแล้วหลังจากนั้นก็มีความมุ่งมั่นเหมือนมีความอยากให้มันเกิดขึ้นอีกอยู่เรื่อยๆให้รู้ทันไปสินะค่ะไม่งั้นกลายเป็นดักดูอยากจะดูก็ไปดักดูค่ะแล้วอยากรู้ให้ชัดก็เป็นเพ่งจ้องใช่จู๋ค่ะอยากให้มันดีก็เข้าไปแก้ไข เจ้าค่ะไปดูเอานะมันก็ผิดอยู่ในกฎสามข้อนะแล้วไปสำรวจตัวเองเอาอยากให้หลวงพ่อเมตตาช่วยดูว่าตอนนี้เพ่งไปไหมคะจิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่ถึงฐานอ๋อออย่างนี้ไม่ถึงไม่ดูไม่เป็นเจ้าค่ะไม่เคยรู้สึกไหมตรงที่คําว่าดูไม่เป็นต้องพูดคําว่าดูไม่เป็นมีจิตคล่ําครวนเกิดขึ้นค่ะนะจิตที่มันไม่ถึงฐานจิตที่มันไม่ตั้งมั่นเนี่ยมันรู้อยู่นอก ใช่เจ้าค่ะรู้สึกไหมมันรู้อยู่นอกๆโล่งๆว่างๆใช่เจ้าค่ะให้รู้ทันว่าจิตไปติดอยู่ข้างนอกไปติดในความโล่งความว่างรู้เฉยๆนะแล้วมันจะทวนกระแสกลับเข้ามาหาตัวรู้เองเจ้าค่ะคล้ายๆเราไปเดินเห็นอะไรเดินอยู่หน้าบ้านอะ่ะล้วออกจากบ้านไปยืนอยู่ริมถนนไปดูเขาสมมุติว่ามีนางงามจักรวาลเดินมาเราก็ออกไปยืนอยู่ข้างถนนพอเข้าไปแล้วเราไม่เข้าบ้าน นะถนนโล่งๆแล้วเราก็ยืนอยู่ริมถนนนั่นแหละไปดูเอานะร้ะ 135. อยสามสิบห้าผู้หญิงนี้เทียบนางงามจักราวาลไม่ได้ไปดูแล้วบางทีมีโทสะถ้าผู้ชายไปดูแล้วไม่เกิดโลภะนะการมาสาสหลงพ่ออยู่ไหนอยู่ไหนอว่าไป เ, เคยมารายงานผลการปฏิบัติตรประมาณเดือนพฤษภาครับหลวงพ่อล้ว หลวงพ่อให้กลับไปดูกายก็มีอยู่คืนหนึ่งครับนอนกำลังจะนอนแล้วเราคิดว่าจะลองดูเล่นๆตอนนอนนอนดูไปนอนดูมาก็เห็นเหมือนร่างกายมันเป็นหุ่นบินเหนียวปั้นขึ้นมาครับเออนะเนี่ยแต่เห็นไหมทำไมมันเห็นขึ้นมาได้เพราะไม่ได้จงใจครับเราจะดูเล่นๆเนี่ยเคล็ดลับของมันอยู่ที่ดูเล่นๆเนี่ยถ้าจงใจดูจะกลายเป็นไปตักจ้องเอาไว้นะแล้วมันเกิดตกใจขึ้นมาครับกลัวก็เลย ต<ห>ัวให้รู้ว่ากลัวนะเอแล้วก็มีมีอีกวันหนึ่งครับตอนเช้าตอนที่จะเดินไปทานข้าวในระหว่างที่เดินเนี่ยรู้สึกว่าร่างกายมันกระเทือนมากมระหว่างที่คุยกับแฟนรู้สึกว่าจิตมันวนๆอยู่รอบๆตัวเราแล้วก็ทั้งๆ ท, ท, ที่เรานั่งนั่งห่างกับแฟนตามปกติแต่เราได้ยินเสียงเหมือนแฟนอยู่ไกลๆแ ต, แต่เราอยู่ตรงเนี้ยเออครับ<ด>แต่หลัไปอย่างนั้นไม่เป็นไร หลังจากนั้นมาจิตก็เสื่อมลงมาเรื่อยๆครับเพราะความอยากดูเ อ, อเและตอนนี้ก็มีโมหะเยอะออแล้วสรุปได้แล้ะมันเสื่อมเพราะอยากนั่นเองครับนะแล้วก็รู้เล่นๆนะมันดีมีอัดยิ่งดูยิ่งเห็นอัดตาเยอะนึกว่ามันจะลดลงมันก็ยิ่งดูยิ่งเห็นเพิ่มขึ้นเม<ะ>ื่อก่อนมีนะแต่เราไม่เห็นเราเลยนึกว่าไม่มีครับที่เร<ต>าดูแล้วเพิ่มขึ้นอ่ะไม่ใช่เราดูได้เก่งขึ้นต่างหากดูได้ละเอียดและออบขึ้น ในความเป็นจริงนะทุกๆคนเลยนะในสัตว์ทั้งหลายในคนทั้งหลายเนะี่ยทุกการกระทำเลยมันเจือด้วยมาหน้าตาเข้าไปด้วยกระทั่งจะทำบุญยังเจือเลยนจะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันแฝงเข้าไปตลอดอะแต่เรามองไม่เห็นการที่เรามีสติมีปัญญาแก่กล้าขึ้นเราเห็นบ่อยขึ้นเป็นเรื่องดีนะจีวิตของคุณอะดีแต่ว่าจุดอ่อนตอนนี้คือแรงมันตกไปนิดนึง ร, รู้สึกไหมไม่ค่อยมีแรงไม่ค่อยมีแรงดูครับ ให้รู้ว่าไม่มีแรงอย่าอยากมีแรงนะถ้าอยากให้รู้ว่าอยากเ <Heaven. S 1> วลาที่จิตภาวนาไปเนี่ยบางครั้งจิตเจริญบางครั้งจิตก็เสื่อมเป็นเรื่องปกติเมื่อเจริญเราหลงดีใจก็เรียกว่าเสียทีมันเมื่อเสื่อมเราเสียใจนะเราดิ้นรนค้นกว้านี่ก็เรียกว่าเสียทีมันให้รู้ด้วยความเป็นกลางไ <bots. S 1> ว้ความเสื่อมเกิดขึ้นรู้ด้วยความเป็นกลางนะไม่แทรกแซงที่จะทาให้มันดีนะกฎข้อท <ine. S 1> ี่สามไม่แทรกแซง เบอร์ 1> พ1อครับคุณภาวนาดีขึ้นเยอะเลยนะคุณไปรู้กายต่อนะรู้กายแล้วมันจะมารู้จิตค่ะคิดว่าที่ผ่านมาผิดทั้งสามข้อค่ะแต่ว่าที่ที่ผิดมากที่สุดคือข้อสามโอ้ไม่เป็นกลาง <c oughs> แล้วก็แล้วก็คิดว่าติดดีค่อนข้างมากค่ะค่ะ รู้รู้ตัวอย่างว่าจริงๆเราร้ายอันนี้เห็นเนี่ยร้ายกว่าที่นึกเนาะเห็นว่าว่าร้ายกว่าที่คิดแล้วก็ไปสร้างหมูกระดาษขึ้นมาเวลาทำงานอย่างนี้สมเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเห็นไหมมันขี้อิจฉาด้วยค่ะเห็นไหมมันหักคาดด้วยตอนนี้ตื่นเต้นแล้วก็กดใช่ใช่ค่ะอย่างนี้แหละค่อยเป็นนักปฏิบัตินะหลวงพ่อเจ้าคะไม่ทราบว่า สมถะที่ที่เหมาะกับหนูคืออะไระคะหายใจไปสมถะนะหรืออะไรค่ะสมถะสมถะหายใจไปเราวิหารธรรมมาเจ้านะค่ะรู้สึกที่ร่างกายยืนเดินนั่งนอนนะรู้สึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะมาดูจิตได้ชัดนึ่งขอบคุณเจ้าค่ะขอบคุณนั้นมันคิดเยอะมันช่างคิดนะใเป็นฟุงงซ่าน ง, ง่ายเราไม่ได้ทําสมถะมาก่อนงั้นเราเอากายมาเป็นเครื่องรู้เครื่องอยู่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 มรดการค่ะหลวงพ่ออยู่ไหนน้อไม่เห็นอว่าไปข้อสามค่ะแทรกแสงแล้วก็โทระัเยอะค่ะแล้วก็เพ่งเออบถูกแล้วไงอีกก็มีความคิดอกุศลเยอะมากดีที่รู้นะเวลาความคิดอกุศลเกิดขึ้นเราจงใจคิดไหมตั้งใจคิดอกุศลไหมหรือมันคิดของมันเองถ้ามันขึ้นมาเองนะไม่เป็นไร เรียกว่าการกระทํากรรมของมันเนี่ยไม่ครบองค์ประกอบเคือเราไม่ได้เจตนาเนี่ยขาดเจตนาเป็นองค์ประกอบสําคัญคล้ายๆทําความผิดโดยไม่เจตนาความผิดเล็กน้อยแต่การที่เรามีสติรู้ทันว่าจิตเกิดอกุศล น, นียตัวนี้เป็นบุญอันใหญ่งั้นจิตมันคิดไม่ดีนะเหมือนมีอกุศลแค่นี้นิ้วเดียวจิตมันมีสตินะเหมือนได้บุญมากําปั้นหนึ่งนี้ไม่ต้องกลัวหรอก อย่าไปห้ามมันห้ามไม่ได้จะเกลียดมันมาอันนั่นแหละไม่เป็นกลางนะผิดข้อสามละไปเกลียดมันจิตมันคิดแล้วทำไมต้องไปเกลียดมันอ้อาวเบอร์ร้อยเจ็ดบแปดขอบคุณค่ะอย่าไปกลัวนะไปกลัวภาวนาใช้ได้อยู่กราบนามัสการหลวงพ่อค่ะช่วงที่ผ่านมาการปฏิบัติคือรู้สึกว่าตัวเองจ ะ, ะรู้ไม่ค่อยทันนะคะแล้วก็จะคิด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 อพอคิดไหวไหมก็ไม่ค่อยลังนึกถึงพระพุทธเจ้าเรื่อยๆนะพระพุทธเจ้านี่มีความดีเยอะอะไรเงี้ยมีความการุณาอุตษาสอนธรรมะที่สอนยากยากท่านอุตษาสอนท่านมีความบริสุทธิ์ท่านเป็นพระอรหันต์แล้วก็ท่านอะไรมีปัญญามากฉลาดรอบรู้ทําตัวเองให้พ้นทุกข์ได้แล้วพาคนอื่นให้พ้นทุกข์ได้ด้วย ถ้าใครคิดถึงคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าเรื่อยๆนะมันจะเพิ่มศรัทธาด้วยศนระัทธาน้อยไปหน่อยดูออกไหมไม่ค่อยเชื่อหรอกยังไม่ออกห้าส <55. S 2> ิบห้าก่านมันสการหลวงพ่อคะ่ะเพิ่งมาเป็นครั้งแรกแล้วก็ที่ฝึก อ, อยู่<ต>ใช้ได้นะใครไปรู้เอาสังเกตไหมกิเลสโผล่ขึ้นมาเราก็เห็นได้นั่นแหละดูไปดูถูกแล้ว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 นั่งสมาธิไม่ได้เจ้าคะ่ะเหมือนว่าพอนั่งเหมือนพยายามจะสัญญากับตัวเองว่าคืนนี้จะนั่งอย่างน้อยห้านาทีก็จะเหมือนแอบลืมตาดูนาฬิกาเจ้าค่ะว่ามันห้านาทีอย่านาั่งหลับตานั่งดูนาฬิกาออนั่งนั่งไปนะแล้วค่อยดูห้านาทีเนี่ยใจลอยกี่ครั้งอเป็นนั่งลืมตานะนั่งลืมตาไว้แล้วก็ดูนาฬิกาไปก็ได้แล้วคอยรู้ทันนะในห้านาทีที่เราสัญญากับตัวเองเนี่ยเราใจลอยไปกี่ครั้ง แล้วหนูต้องพุทโทรหรือดูลมหายใจเจ้าคะ่ด<อ>นะดูใจนะดูใจนะใจหลงไปแล้วรู้ใจหลงไปแล้วรู้<อ>นะแล้วลองไปดูนะได้กี่ครั้ง<อ>ในห้านาทีนะัทุกวันซ้อมห้านาทีดูว่าหลงกี่ครั้งแล้วก็เดินจงกรมชอบไปเพ่งเพ่งตรงข้อผับหัวเข่าอ่ะเจ้าคะ่ะดูสบายๆดูทั้งตัว อ, อย่าไปเพ่งเล น, นะ เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวรู้สึกสบายสบๆไปค่ะแล้วก็ปฏิบัติเหมือนว่าจะรู้กายรู้ใจได้มากขึ้นค่ะกิเลสเยอะมากแล้วก็นิสัยไม่ดีเจ้าค่ะถูกต้องโมทนานะแล้วก็ปฏิบัติแต่จะทําไม่ได้เลยเวลามีความสุขมากไปหรือว่างานยุ่งมาเนี่ยเทวดาเลยภาวนายากอ๋อรบกวนขอวิหารธรรมจากหลวงพ่อเจ้าค่ะให้ไปแล้วนะอไปดูนะห้านาทีเพลออีกครั้ง คื อ, อ, คอดูจิตดีกว่าดูกายใช่ไหมคะไ่ 2> 2. สามสิบสองมรศการค่ะหลวงพ่อคือมาครั้งแรกแล้วก็เพิ่งปฏิบัติได้สัก2องาเดือนเองอะค่ะไม่ไม่ทราบเลยว่าที่ทำอยู่เป็นยังไงการปฏิบัตินะมันเรียนรู้ตัวเองด้วยความซื่อตรงซื่อตรงหมายถึงว่ามันเป็นยังไงรู้ไปรู้อย่างซื่อโมอโหก็รู้ นิสัยเราไม่ดีตรงไหนเกิดขึ้นใครรู้เห็นที่อยังนิสัยไม่ดีดูออกไหมดูออกค่ะเอออย่างนั้นแหละดีบางทีก็ชอบบางทีก็มีเสียงเพลงอยู่ในหัวบางทีก็ออมีคําพูดเลยเต็เออมไปหมดไม่รู้ว่ามันออคิดอะไรอยู่เหมือนกันเออช่างมันเห็นมันทํางานไปเรื่อยๆค่ะนะัแล้วมันเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วก็มีสติตามดูไปนะทาถูกหรือยังคะที่ทำถูกสิแล้วฟังซีดีหลวงพ่อไปนะฟังไปเรื่อยๆอย่าขี้เกียจนะหน้าตาขี้เกียจง่าย น, นั่งสมาธิไม่ค่อยได้อคะค่ะทําสมาธิไม่ค่อยได้ช่วยแนะนำนิดนึงนั่นแหละดูจิตไปเวลาคือเวลานั่งสมาธิชอบฟุ้งแล้วก็แล้วก็วกไม่ไม่สามารถจะจะรู้ได้ว่าฟุ้งเหมือนกับไปไกลแล้ว่พยายามอยูย่แค่ ช, ชีวิตธรรมดาเ น, นี้แหละนะ <c oughs> เราเคลื่อนไหวไปกระดุกกะดิกไปหางานทําไปกวาดบ้านอะไรเงี้ยถูบ้านนะทํางานบ้างค่ะ <c oughs> ทํางานไปแล้วเห็นร่างกายมันทํางาน <c oughs> ใจมันจะได้ไม่ฟุ้งมาก ฟุ้งได้นะแต่อย่าให้เกินกายออกไปฟุ้งไปก็รู้ร่างกายเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนไปที่ที่เหมาะกับหนูคือต้องดูดูกายไปก่อนนะที่เหมาะจริงๆริงต้องดูจิตแต่ตอนนี้ยังไม่มีแรงน ะ, ะเอากายมาช่วยก่อนค่ะคุณค่ะเบอร์นหนึ่งเบอร์นหนึ่งนมาสกัาพ่อค่ะกลัวไหมกลัวหมาโอ้กลัวให้รู้ว่ากลัวนี่แหละการภาวนารู้ทันใจตัวเองเราอยากให้คนอื่นมารู้ทันใจเราไม่มีสาระหรอก เรารู้ทันใจเราเองดีที่สุดเลยตั้งใจเว่าถ้าสอบติดเราจะมาขอกันบ้านหลวงพ่อค่ะทําไมต้องรอสอบติดอ่ะก็ <c oughs> สอบตกแล้วจะไม่เรียนเหรอก็เ <c oughs> อ, อ, อ <c oughs> าค่การบ้านนะการภาวนาเนี่ยไม่เบียดบังเวลาทํามาหากินไม่เบียดบังเวลาเรียนหนังสือนะยิ่งภาวนายิ่งเรียนเก่งนะ <c oughs> บางทีรู้ข้อสอบล่วงหน้าด้วยเรา แล้วก็มีเวลาแบบนั่งสมาธิมันจะรู้สึกแบบไม่ชอบอึดอัดให้ดูที่ใจที่นั่งแล้วอึดอัดเพราะไปบังคับใจจะเอาความสงบถอยอยากให้สงบนะไปบังคับขม่มข่มขมข ม, ข ม, มันก็อึดอัดขึ้นมาสิเราต้องทำยังไงให้คอยรู้ทันใจตัวเองไม่ใช่ให้บังคับใจนะไปดูตัวนี้นะตามรู้ความรู้สึกของตัวเองไปบ่อยๆไม่บังคับให้มันนิ่งร้อยแปดสิบสามกล่าวนามัสการหลวงพ่อครับ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 <c oughs> มีขึ้นมาพอเรารู้ทันก็นไม่แน่ใจก็หายไปเกิดแล้วก็ดับนี่ดูเพื่อให้เห็นสิ่งนี้ไม่ใช่ดูเพื่อจะเอาอะไรหรอกอนะ <c oughs> ดูให้เห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปดูแค่นี้เองครับ <c oughs> นะเราจะไม่มีวันสงสัยเลยพอทุกอย่างเกิดแล้วดับทั้งสิน้นครับภาวนาเพื่อวันหนึ่ง <c oughs> จิตจะยอมรับความจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาผู <c oughs> ้ที่จิตยอมรับความจริงตรงนี้คือพระโสดาบัน <c oughs> นะ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 ข้อหนึ่งนี้อาจจะเป็นน้อยหน่อยค่ะคือไม่ได้ดักดูแลค่ะคือมันเกิดแล้วเราถึงได้ดูถ้าดักดูนะใจจะแน่นค่ะแลถ้าข้อ2เนี่ยถ้าไปจ้องไว้ไปเพ่งไว้ใจก็แน่นนะข้อสามพอไปแทรกแสงก็แน่นอีกบางครั้งเครียดแล้วเหนื่อยด้วยค่ะข้อสองค่ะแล้วข้อสามเนี่ยโยมจะมีข้อดอยอยู่นิดนึงคือจะมีกิเลสตัวหนึ่งที่มันจริงๆแล้วถ้าถามหลวงพ่อหลวงพ่อคงต้องบอกว่ากําหนดรู้ก็คือความกลัวนะคะอื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 ออที่ทำมานะ่ะถูกไหมคะถูกสิแต่อยอมเป็นคนขี้โมโหนะเพราะงั้นใจมันไม่เป็นกลางค่ะให้รู้ทันไปว่าไม่เป็นกลางกราบขอบพระคุณค่ะแล้วดูไปทั้งกายทั้งใจไม่ใช่ตัวเราดูไปเรื่อยๆเบอร์สามร้อยสามสิบเก้าครับผมมันรู้สึกตัวว่ามันรู้แบบช้าแล้วก็อาทีเหมือนมันไม่ค่อยเอาอะไรพอ พอรู้ไปแล้วก็รู้เฉยๆแต่บางทีที่รู้ชานี่คือข้ามวันมาบางทีก็เพิ่งรู้อย่าเงี้ยโอ้นานไปแล้ข้ามวันนี่ไม่ได้หมายว่ามันขับไปคิดเอาอันเก่ามาเอ่อนั่นนั่นเป็นการคิดละแล้วพอมันมันรู้บางครั้งรู้สึกว่าเอเราเราคิดหรือเปล่าว่าสิ่งที่เราให้ไปดูที่ใจนะใจเกิดความรู้สึกสับสนให้รู้ว่าสับสนรู้ทันตัวนี้บ่อยๆมันก็มีรู้สับไปสับมาอย่างเงี้เออนะเรื่อยๆครับใช่ รู้กลับไปกลับมาแล้วใจเกิดสับสนอะไรขึ้นมารู้ทันว่าสับสนไปเลยผมแล้วก็อยากได้กันบ้านนะครับนี่ไงให้แล้วนะไปดูเอาทำไงสติจะเกิดปล่อยนะต้องหัดรู้วิธีหัดรู้ก็คือหากรรมฐานมาทําสักอันหนึ่งก่อนอะไรก็ได้นะพุโทโธหรือหายใจหรืออะไรก็ได้ดูท้องพองยุบอะไรก็ได้แล้วแต่เคยถนัด เสร็จแล้วก็คอยรู้ทันใจไปหายใจไปพุโทโธไปหรือดูท้องของยุบไปนะแล้วจิตแอบไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งรู้ทันหัดรู้ทันบ่อยๆจะสติจะได้เกิดไวครับผมแล้วที่เป็นอยู่ถึงตอนนี้นี้ที่เป็นอยู่ตอนนี้นี้ตอน น, น, อ น, นี้ตอนนี้เพ่งอยู่นะซึมๆมีโ ม, ะ ม, มหะซึมครับผมออาเบอร์ยี่สิบสองก็เริ่มเห็นที่มันชอบเข้าไปติดในช่อง อืมดีแล้วล่ะเห็นนะไม่มีปัญหาเห็ไม่บอกแล้วแล้วก็รู้สึกว่าภาพรวมที่ปฏิบัติทั้งหมดมันความยึดถืออะไรมันน้อยลงทุกนั่นแหละหลวงพ่อถึงไม่ให้ยกมือเอช่วงที่ผ่านมาเวลาคือเหมือนกับว่าจิตมันจะคอยย้อนเข้ามาดูข้างในอยู่เรื่อยๆครับคือเวลาจะเป็นข้อสามไม่เป็นกลางครับดูออกไหมดูออกอเป็นมันเป็นบางครั้งหรือเปล่าครับ เราเวลาไม่เป็นการนี่ผมทรม า, านมากเลยมันอึดอัดมากเลยครับช่วยไม่ได้ต้องทุกไปก่อนครับแล้วแล้วแล้วการที่คือเวลาสมมุติว่าเราจะทํางานอะไรเงี้ยบางทีมันก็จะย้อนเข้ามาอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยมันผิดปกติรึ่าครับอย่าจงใจถ้าย้อนมาเองไม่เป็นไรนะถ้าจงใจย้อนจะแน่นครับถ้าแน่นแน่นแสดงว่าผิดละครับแต่ทีนี้คือไอไอความรู้สึกนี้มันทําให้เราเวลาจะทํางานทําอะไรมันก็จะลําบากครับมัน ทำไมอะคือมึงก็จะคอยสมมติเราจะไปอ่านหนะังสือจะไปอ่านอนะไรเงี้ยเวลาทำงานนะจดจ่ออยู่กับงานต้องสับสวิตให้เป็นเวลาทำงานเนี่ยตั้งอกตั้งใจทำงานไปคิดเรื่องงานอเงี้ยมีหน้าที่จะต้องทำงานสติอยู่กับงานสมาธิอยู่กับงานปัญญาไปอยู่ที่งานแต่พอกิเลแสแทรกเข้ามาถึงจะค่อยรู้เอาไม่ใช่ย้อนมาดูตลอดมันทำงานไม่ได้มันจะคอยย้อนมาเองแล้วเวลาเรา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 บ่อยมากครับ<อ>แรงจิตมันส่งเข้าไปรู้อ่ะอ๋อคือตรงนั้นไม่ดีใช่ไหมครับไม่ดีครับขอบคุณมากครับอ้าวเบอร์ร้อยสิบสองเป็นหลวงพ่อนะาลำบากลำบากบางคนไม่เรียกมันก็น้อยใจนะคิดว่ามีทั้งสามข้ออะค่ะแล้ว<อ>ช่วงนี้แบบงงงงเหมือนงงก็เป็นสภาวะอันหนึ่ง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 ความงงเกิดขึ้นเราจะไปคิดหาคำตอบเราไม่รู้ว่ากำลังงงอยู่ในกิเลส ท, ทุกตัวหลอกด้วยวิธีซ้ำาๆซัซซกๆอย่เชื่อมันมีอะไรต้องแก้นั่นแหละไปดูเอาตัวนี้แหละรู้ลงปัจจุบันไปทุกอย่างเกิดเราดับทั้งสิ้น133สามสิบสามยังไม่หายง ง, งอีกละดูงงขึ้นมาก็ให้รู้ลงไปนะเราไม่ได้เรียนเอาความฉลาดนะเพราะฉะนั้นจิตมัน ง, งงก็แค่รู้เท่านั้นเอง ร้อสามสิบสามครับคือผมเป็นคนที่มีจริตฟุ้งซ่านมากครับเห็นด้วยแล้วก็แต่ช่วงนี้รู้สึกเห็นกิเลสบ่อยขึ้นเห็นโทสะบ่อยขึ้นเออดีแสดงว่าที่ดูอยู่นี้พอใช้ได้แล้วใช้ได้สิถ้าเห็นกิเลสได้นะก็ถือว่าใช้ได้ครับเราต้องทําอะไรเพิ่มหรือเปล่าครับลองไปดูจำสามข้อได้ไหมครับแต่ก็รู้สึกยังผิดทั้งสามข้อเออนะให้รู้ทันไปพอผิดแล้วรู้ผิดแล้วรู้ไปไม่ต้องพยายามทําให้ถูกนะ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 ถ้าแดงไม่พอแล้วดูไม่ค่อยจะรู้เรื่องแล้วมาดูกายไว้ครับขอบพระคุณหลวงพ่อเบอร์สี่สิบเห็นไหมร่างกายกําลังหันหลังเห็นไห ม, เ, ออ เ, หมเห็นไหมเออเห็นไหมลืมกายนให้ดูกายก็คือคอยรู้สึกกายเรื่อยๆจะเหลียวซ้ายแลขวาคอยรู้สึกเบอร์สี่สิบเชิญเป็นไม่ก่อนแต่ได้ยินแล้วออากลับนมัสการ<อ>แล้วเอาว่าไปเ อ, อพอดีโยมเคยมา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 เพียนทำให้ๆว่าอย่างตอนเช้าเนี่ยปกติจะมีเวลาสักสิบในทีสิห้านาทีแต่ทีนี้โยมรู้สึกว่าโยมนั่งสมาธิโดยการดูลมหายใจแล้วมันไ ม, ไม่ไม่รู้ว่ามันได้สภาวะอะไรมันมันคือโยมก็หมั่นทําจากเป็น30สนาทีสี่้านาทีจนถึงหกโมงเช้าโยมมีภาราต้องไปปลุกลูกไปโรงเรียนอะเจ้าค่ะทีนี้พอโยมทําไปย่ำมาเอ๊ะทําไมรู้สึกแบบไม่อยากเจอใครเลยอพอออกไปข้างนอกก็แบบ อยากกลับบ้านบางทีเดินนะอันนั้ น, นเป็นอาการของคนติดสมถะติดความสงบจ ะ, ะ, ะ ห, หนีเข้าถ้ำให้รู้ทันใจที่อยากจะหนีค่ะนะค่ะแล้วพอมาเจอครูโอ่ะค่ะอืแล้วก็มาเล่าให้ครูโอฟังครูก็พูดถึงหลวงพ่อก็เลยจําได้เออเราเคยทําตามที่หลวงพ่อบอกนะอะไรอย่างเงี้ย โยมก็เลยทำตามของที่ครูโอ๋บอกว่าให้ดูจิต hmm. ท่ น, นี้โยมเห็นสภาวะที่บางครั้งโยมคิดเรื่องแบบไม่ดีขึ้นมาปุ๊บมันจะดับไปเลย uh. ค่ะแล้วก็มีอยู่เมื่อประมาณสักสองวันเนี่ยฟ้ามันมันผ่าเปรี้ยงดังมากเปุ๊บเหมือนเหมือนลูกโป่งแตกเลยอะค่ะในในที่ที่โยมรู้สึกนะคะท น, นี้โยมอยากกลับเรียนหลวงพ่อว่าสำหรับโยมนี่ถ้า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 <c oughs> ให้ดูจิตไปเลยต่อไปพอเราเห็นกิเลสเนะี่ย <c oughs> กิเลสจะดับไปแล้วจิตจะสงบเองค <c oughs> นะอยู่ๆตอนนี้ไปทําความสงบขึ้นมาเนี่ยไม่ไหวออื <c oughs> ไปดูจิตก่อนนะคอยดูจิตใช่ไหมคะใช้สมใช้ปัญญานําสมาธิค่ะเมื่อร้อยเก้าสิบมาครั้งที่สองอะค่ะแล้วก็วกอืม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 ปที่วังมัฉาบางวัดเขามีนะซื้ออาหารมาเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาเนี่ยจิตเราเป็นกุศลใช่ไหมเป็นกุศลจิตใจเรามีความสุขคนเราดูน้ำดูแม่น้ำดูอะไรที่โลง่งโล่งกว้างๆใจก็สบาย ใ, ใจก็สงบขึ้นมาพอใจสงบเรากลับมาดูจิตได้ปลาตัวนี้น่ารักนี่เห็นแล้วใจรักไอก้ตัวนี้ตะกละไว้ตัวใหญ่ เท่าไกัดตัวเล็กน่าจะกินอยู่ตัวเดียวเนี่ยปลาตัวนี้นิสัยไม่ดีนะเอาขนมปังก้อนใหญ่ๆกว้างหัวมันแล้วดีสมน้ำหน้ามันเนี่ยใจไม่ชอบหน้ามันรู้ว่าไม่ชอบใช่ไหมมันกลับมาภาวนาได้เลยขอเรียนถามอีกข้อหนึ่งอะค่ะว่าการคิดพิจารณาเนี่ยพิจารณาเหตุเนี่ยนะคะเป็นวิปัสสนากรรมฐานหรือไม่พ่อนะไม่เป็นนะนนะอย่าไปคิดเอานะคือเคนไ ด, ได้ยินหลว พ, พ่อพุทธไหมหลวเคยได้ยินชื่อท่านไหม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 ไม่ใช่การคิดอ ย, อย่างเช่นเห็นสภาวะจิตแล้วก็ไม่ไม่คือไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเป็นสภาวะอะไรไแต่หลังจากที่ไปพิจารณาเหตุแล้วรู้ว่ามันเป็นอัตตาแล้วแล้วมันดับไปนี่อันนี้เป็นวิปัสสนาปะคะหมายถึงไงตอนนั้นยังไม่อัตตคือตอนที่เห็นจิตเนี่ยไม่รู้ว่าคือรู้ว่ามันเป็นไปทางอากุศลมากกว่าแต่พอไปพิจารณาแล้วเราคิดว่าแล้วได้ข้อสรุปว่ามันเป็ น, ปนสาเหตุคืออัตตาอันนี้เป็นการฝึกให้รู้จักอัตตา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 แต่อย่าใช้ตลอดเวลานะเดี๋ยวเคยตัวช่างคิดคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงจะรู้ <Okay. S 1> แต่ก็อาศัยคิดไม่ใช่ห้ามคิดนะร้อยหกสิบหนึ่งขอมาตรการพ่อครับถามพ่อะที่มาของพ่อเนี่ยครั้งที่สองเนี่ยไปนั่งสมาธิเราดูปกติบนบ่นครับก็ตรวจมนตรวจมนเ็จ นะเดินจงกรมนะเดินจงกรมแล้วนั่งสมาธิดูปกติหมดครับไม่แยกแป่งเหลือทีนี้จะขอถามพ่อว่าก่อนมาหาข้อเนี่ยคือมีก็พอนั่งสมาธิแบ่งเนี้ยพอหายใจใจชาแล้วแล้วก็ทําไมถึงจะหยุดหายใจหลวงพ่อครับพ่อถ้าจิตสงบแล้วมันหยุดหายใจเองนะครับ ก็ผมต้องรีบหายใจอะกลัวครับไม่ตายไม่ตายนะครับเป็นหยุดได้นานๆเลยครับแล้วก็บางทีก็ตัวเบาครับคล้ายๆไม่มีตัวมีตัวนิงใช่ใช่อันนั้นเป็นสมถะนะโยมฝึกแล้วมีความสุขมีความสงบที่พอเราออกจากสมาธิแล้วเนี่ยโยมคอยดูใจที่เปลี่ยนแปลงไปครนะแล้วก็ไม่โดนคนนั้นโดนทีใจหายวูบเลยก็เผลอตัวหน้พัก ขูพื้นเลยครับเราทำสมาธิเยอะไปนะนะสติมันตามไม่ทันนะแล้วก็กที่องก็เผอตัว้บวชพรมหนึ่งก็มีเผอตัวมีภาพภาพอรอยจำหน้าได้คนแก่นะผมไว้ผมมวยครับเลวก็ถามเจ้าของป่าสุนป่าถามว่าเอะภาพนี้ภาพใครเขาบอกว่าเจที่เนีย่ยเป็นยังไงป่าครับไม่เป็นนะ ไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยกลับมาดูที่ใจของเราเองไว้รนะเราภาวนาถ้าทําสมถะไปมันมีนิมิตสารพัดเลยนิมิตเป็นรูปก็มีนิมิตเป็นเสียงก็มีนิมิตเป็นกลิ่นก็มีครับนิมิตมาสัมผสัสร่างกายเราก็มีเหมือนคนมาบีบมานวดให้นะบางทีก็เป็นหรือนิมิตรู้ด้วยใจก็มนะีไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนีกลับมารู้ทันใจของเราเช่นใจเรายินดีขึ้นมาเรารู้ทันใจเราสงสัยขึ้นมาเรารู้ทันใจเราเป็นยังไงเราคอยรู้ทัน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 ครับที่มิสมหาหลวงพ่อเนี่ยต่างกับมหาหลวงพอเนี่ยครั้งแรกก็ไปดูปกติหมดไม่มีอะไรแปฝงเลยครับไม่แปฝงเพราะว่าสมาธิเราเยอะนะสมถะครับสมามถะเยอะยอมดูไก่ไปถ้าจิตไม่แว่งนะดูไกยไปครับกายเนี่ยเดี๋ยวก็ทุกเดี๋ยวก็ทุกดูอย่างนี้เรื่อยๆสําหรับคนที่ติดสมาธิเนี่ยให้มาดูไก่ไว้เบอร์ร้อยสามสิบแปดขอบคุณพอมากครับ กับนมัส ก, การหลวงพ่อครับครั้งนี้มาครั้งแรกครับผมก่อนหน้านี้ก็ปฏิบัติธรรมก่อนที่จะฟังซีดีของหลวงพ่อนะครับนั่งสมาธิเป็นชั่วโมงเกิดภาพหนึ่งที่เห็นขึ้นมาคือเห็นตัวเองกําลังโกรธแล้วฟันบางสิ่งบางอย่าง อ, อแล้วรู้สึกว่าตกใจหลุดออกจากภาวะตรงนั้นเลยครับอแล้วก็วันที่สองก็ไม่ได้เอะใจอะไรจิตรวมสภาวะเริ่มเป็นหนึ่ง มันเป็นแสงขาวๆเริ่มรวมกันรู้สึกว่าตกใจแล้วก็หลุดออกมาอีกทีนะครับทไมเปนขี้ตกใจจังมันเหมือนว่าอย่างที่จจหลว ง, งพ่อบอกนะครับว่ามันเหมือนไปเพ่งไปจ้อง<ช>ไปคอยรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับใช่มาเลยตกใจออกมาจากตรงนั้นฮะอืมแล้วก็มีคนเอาซีดีมาให้ผมฟังผมก็เลยฟังสมาธิฟังซีดีของหลวงพ่อพร้อมกับปฏิบัติธรรมตาวนี้ก็รู้สึกตัวด้วยพื้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 ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่มีความหมายอะไรสภาวะอะไรก็ได้เท่าเทียมกันทั้งหมดเลยหรือกระทั่งนิมิตนะนิมิตจริงนิมิตปลอมไม่สำคัญหรอกนิมิตใดๆเกิดขึ้นรู้ทันใจออกมาอยู่ข้างลอกนี่จิตเป็นยังไงคอยรู้ทันไปเรื่อยๆอะไรก็ได้แล้วทุกอย่างนั้นสอนไจรักทั้งหมดเลยมีไหมสภาวะที่เกิดเราไม่ดับไม่มีหรอก ดับหมดครับผมดับหมดนะแต่ตอนดับนี่คือเราไม่รู้ตัวนะครับว่ามันดับแต่เวลาเกิดขึ้นเรารู้ว่ามันเกิดครับตอนใหม่ๆเป็นอย่างนั้นไม่เป็นไรแต่ไปนั้นจะดับวับวับวให้ดูต่อหน้าต่อตาเลยแต่ยิ่งเห็นดับมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็หลังจากฟังสีรีหลวงพ่อทุกเอยาบทของผมจะเริ่มรู้สึกมีความรู้สึกตัวตลอดครับเดินก็นับหนึ่งสองในใจให้รู้ทันจังหวะครับทีนี้พอทําไปนานๆเพลกความเคยชินมันเกิด มันมีปิติขึ้นมาครับอพอรู้ว่ามีปิติก็อให้รู้ว่ามีปิติเกิดคราวนี้ใครทักอะไรพูดอะไรคําพูดที่มันจะพูดอไปมันมันมีสติคอยควบคุมไม่ให้เรามุสาอืมดีมีสติก็มีศีล น, นะมีสติก็มีสมาธิมีสติก็มีปัญญาแต่ก่อนนี่พูดเล่นเยอะครับหลังๆนี่คือกลัวว่ามันจะเป็นคําโกหกไปก็เลยไม่ค่อยพูดคนไหนก็ทักว่าเป็นไรนเหมือนเหมือนดูเศร้า ๆ, ๆ, ๆไปฮะดูดูที่ใจให้ดีนะอย่าให้ติดอารมณ์นิ่งนะ ครับมันติดความนิ่งมากไปนะพูดเล่นอย่างได้เลยพระอราหันต์บางองค์ปากจัดด้วยนะมีนะเจอใครเรือ่องไอ้ถอยเนี่ยจิตตรงนี้ดีนะจิตตรงที่หัวลออ่อตะกี้อะตรงนั้นแหละคือจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตที่อยู่พื้นๆเนี่ยเป็นจิตที่บังคับได้เริ่มกลับไปจิตที่บังคับแล้ต้องหลุดจากตรงนี้ให้ได้นะอย่าให้ค้างอยู่ที่ตรงนี้ถ้าอยู่ตรงนี้มันก็จะอยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆหัวล่ออีกทีสิ <laughs> นี่แหละจิตอยู่ตรงนี้แหละ รู้สึกไหมมันโล่งกว่ากันไม่มีน้ำหนักหรอกถ้าเมื่อไรมีน้ำหนักเมื่อนั้นผิดเลยครับถามมาอีกคอลหนึงนะครับกิเลสสามตัวราคะโทสะและโมหะควรตัดตัวไหนก่อนครับหลวงพ่อตัวไหนเกิดก่อนเอาตัวนั้นแหละตัดตัวไม่ใช่ควรกิเลสทุกตัวถึงเราไม่ตัดมันก็ดับมีไม่โกรธแล้วไม่หายไม่มีโลภแล้ไม่หายไม่มีนะหลงแล้วไม่หายไม่มีหรอกงั้นสภาวะอะไรเกิดขึ้นก็แค่รู้เท่านั้นไม่ต้องคิดไปตัดมันหรอก สภาวะทั้งหลายจะสอนธรรมะเราทั้งสิ้นเลยโกรดแล้วเกิดแล้วก็ดับใช่ไหมรอบเกิดแล้วก็ดับตัวไหนเกิดรู้ตัวนั้นแหละถ้ามันหมดเวลาแล้วนะเดี๋ยวไม่ทันซะแล้วคใคร ค, ใค ร, ครอยากถามหลวงพ่อเอาไว้ถามแม่ชีก็แล้วกันถามปูบา้าะนะมีใครมาจากต่างประเทศแล้วอยากถามไหมมีไหมอา่าต่างประเทศนะอาใครมาที่ไกลๆเลยจังหวัดที่ไกลๆ ไกลแค่ไหนภูเก็ตอ้าวได้แล้วคนโู้นล่ะเบออะไรที่ยกข้างหลังจังหวัดไหนอะไรนะลาปางเออไกลอ้าวภูเก็ตคนหนึ่งลําปางคนหนึ่งอ้าวสองคนหมดเวลาเชิญอ้าวภูเก็ตก่อนเคยถามแบบนี้นะมีคนหนึ่งยกมือแล้วตอบคําถามเสร็จแล้วบอกอยู่บางปะกงนมัสการหลวงพ่อค่ะ เพิ่งเคยมาครั้งแรกฟังจากซีดีนะคะมีปัญหาเรื่องว่านั่งสมาธิไม่ได้ค่ะนั่งแล้วก็จะฟุ้งแล้วก็จะนอนไม่ได้ปวดศีรษะค่ะอย่าไปนั่งมันสิ <S S ไปเดินช้อปปิ้งบ้างเอาไปช้อปปิ้งนะเห็นอะไรอยากได้ให้รู้ว่าอยากได้ <S S อย่า ก, กดใจให้นิ่งหลวงโยมมากดใจให้นิ่งมากไปเดี๋ยวมันจะซึมไปะนะ ให้มันฟุ้งซ่านแล้วตามรู้ว่าฟุ้งซ่านดีกว่าไปกดให้มันนิ่ง <c oughs> อย่า ก, กดนะค่ะ <c oughs> กดแล้วไมเ่เดี๋ยวคนเขาว่าเราเพี้ยนค่ะ <c oughs> อย่าไปบังคับใจให้นิ่งคื <c oughs> <c oughs> อสมาธิยังไม่ต้องนั่งก่อนใช่ไหมคะ่ะอย่านั่ง <c oughs> อย่าเพิ่งนั่งเลยนะค่ะอ <c oughs> ออกไปเที่ยวไปเล่นไปทําอะไรให้พักผ่อนให้ผ่อนคลายนะะคพอจิตใจเราสบายแล้วเราก็ค่อยรู้ความรู้สึกของเราเช่นดูโทรทัศน์เรื่องนี้อยู่เนี่ยโมโหดูอันนี้อยู่มีความสุขอะไรเงี้ยใครดู ดูใจของเราไปที่มันเปลี่ยนแปลงอย่าให้มันนิ่งคอ้าวคนลําปางเชิญคนลําปางดีนะไม่มีใครมาบอกมาจากพิษณุโลกถนนพิษณุโลกกราบดํรัสการหลวงพ่อครับจิตผมตั้งมั่นบ้างหรยังครับหลวงพ่อครับดีขึ้นเยอะเลยครับตั้งมั่นนะแต่ว่าเราเราไม่บังคับนะให้เขาตั้งเอง